ว่าเรามีการแก้ปัญหาได้ดีแค่ไหนเนี่ยให้ทําไปสังเกตไปให้กายเท่าที่รู้สึกที่กายใจก็รู้สึกเท่าที่มันมีไม่เพิ่มเติมเสริมแต่งความขี้ได้ลงไปดูความรู้สึกเท่าที่มันมีอยูนะ่เหมือนเราไม่เคยรู้อะไรมาก่อนดูความรู้สึกเพื่อจะป้องกันความนิ่งความง่วงเข้ามาก็ปรับ เยบุให้ให้ส บ, สบายๆแต่ไม่ถึงกับง่วงนะสบายเพราะมันทําด้จะซึมจะแช่ก็ปรับออกแล้วก็ขยับกลับไปอยู่ความรู้สึกชัดๆล้วนผ่อนคลายนะแต่ไม่แช่ไม่ซึมไม่ง่วงไม่เหงาปรับความรู้สึกให้ชัดเจนไว้เสมอแล้วก็ในช่วงบ่ายมันจะมีความรู้สึกซึม ง, ง่วงเข้ามาก็ปรับเรื่อยๆ นี่เพื่อเพิ่มกำลังของสมาธิที่เข้มแข็งขึ้นอัดเปลี่ยนอิบอดได้ถึงสิบสิบอบอเลยนะั้งเพียบเียบซ้ายพระเพียบขวา้าละห้านาทีเจดนาทีสามนาทีแล้วแต่วความปวดเมื่อยเข้มแข็งของเรา 1. ประเพียบซ้าย 2. ประเพียบขวา 3. รมก็นั่งทับสนสี่นั่งคู่เขา่าห้านั่งชันเขา่าหก็นั่งคัศมาดหนึ่งเจ็ดคาศมสอง 8. ดคัมะสามเกก็นั่ ง, หงเหยียดขา 10. ก, ก็นั่ ง, งชันนั่งคู่เขานั่งชันเข่านะ ท่องบทได้สิบท่าเนี่ยมีเก้าอี้ส <c oughs> ายสุดท้าย <c oughs> บางคนค <c oughs> นกระชัยเก้าอ <c oughs> <c oughs> ี้เปลี่ยนไปเรื่อยในการเฝ้าดูกฎของอนิจจังมัก็เปลี่ยนไปเป็นทุกขังสลับกันไปพอเราเปลี่ยนก็เป็นอนัตตาล้าขณะที่เรานั่งสบายสักพักหนึ่งสาเหตุที่มันหนักก็ ความหมุนเวียนของเลือดลมไม่สะดวกก็หนักขึ้ น, นพอเราทนได้สักพักหนึ่งเราเปลี่ยนให้มันเพลินผ่านบ่อไว้พักหนึ่งก็เริ่มหนักใหม่สลับกันไปสลับกันเนี้ยดูดูการเกิดดับนะเกิดดับของไตลักทําหน้าที่แตละเวลานั้นเบื้งต้นนี้เราเอาการเกิดดับของรูปเป็นอารมณ์หรือเห็นการเปลี่ยนแปลง นะเกิดคือความไม่สบายพอเราเปลี่ยนไปปับความเกิดก็ดับไปความดับนําไปสู่ความสบายความสงบสุขพักนึ่ก็เกิดใหม่ดนะันั้นกฎของใจรักมันจะเกิดดับอยู่ตลอดเวลาในการเข้าไปดูรู้ถึงการเกิดการดับของใจรักนี่เองเรียกเป็นอารมณ์วนะิปัสสนา อยู่ในสี่ระดับระดับรูประดับเวทนาระดับจิตระดับอารมณ์ในเบื้องต้นเราดูระดับรูปให้ชัดเจนก่อนเกิดดับเกิดดับให้เห็นเป็นไตรลักษณ์อยู่เกิดก็คือความรู้สึกไม่สบายพอเวลาปรับแก้ความรู้สึกไม่สบายก็ดับสักพักหนึ่งก็เกิดใหม่อีกโดยกฎของอนิจจังหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอย่างตลอเวลา เราสามารถใช้บททั้งสิบผ้าเนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพื่อเอาการเกิดดับเป็นนิมิตเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาโดยดูเข้าไปที่การเปลี่ยนแปลงเฝ้าดูไปเรื่อยๆเนะี่ยจนกระทั่งว่าความรู้สึกเห็นการเกิดดับเนี่ยเข้าไปเป็นสัญญาใหม่ขึ้นมาในจิตของเรา สัญญาใหม่ตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นสติสัมปชัญญะซึ่งสัญญาเก่านั้นเราไม่ได้ดูนะมันเกิดดับไปตามเรื่องเลาก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเราไม่รู้แต่วันนี้เรามาตั้งใจรู้การเกิดการดับของรูปในลักษณะที่เป็นการหนักกันเบากันหนักกันเบาสลับไปเรื่อยๆ เ, เขาเรียกว่าเป็นทิละสัญญาที่เปลี่ยนมาเป็นสติสัมปชัญญะ นั้นเฝ้าดูไปเรื่อยๆใครจะดูได้มากร้อยหนทวยดความอดทนอดกั้นความตั้งใจมั่นคงการเฝ้าดูของคนคนนั้นเน่เเฝ้าดูไปเรื่อยๆดูการเป็นอิบทแต่ละครั้งให้ตามรู้ชัดๆทุกต้องกำหนดรู้เราทำอิบท4สี่กับสติ ป, ประฐานสี่อริยสัจสี่เนี่ยไป ในเวลาเดียวกันอย่างแต่ว่าเราสังเกตทุกที่มันเกิดตามรู้เวลาเปลี่ยนแต่ทุกเบาหลงพัคหนึ่งทุกต้องกำหนดรู้เพื่อให้เกิดเป็นทุกสัญญาเห็นตัวการเปลี่ยนแปลงเป็นอนิจจสัญญาไปพร้อมๆกันให้มันเกิดความชำนิชนานาญจนเห็นโดยตลอดเห็นการเปลี่ยนแปลงก็ปรับ แก่เห็นการหนักการเบาการเกิดการดับมันตลอดเวลาเพื่อให้จิตของเราได้คุ้นเคยอยู่กับการรู้ทุกการเกิดทุกการดับทุกตลอดเวลาคือหลักของอริยสัจที่เรากํำลังศึกษาอยู่ในการทำสังเกตความเป็นกลางของเวทนากลางบ่อยๆทําให้เราปรับ เวทนาได้ง่ายขึ้นเพราในชีวิตจาวันของเราเนี่ยวทนามันจะหนักจะเบาตลอดเวลาแต่ถ้าหากเราได้มีทักษะในการปรับนี้จนเป็นเขาเรียกเป็นนิสัยใหม่เป็นสัญญาใหม่จิตของเราก็จะไหลกลับมาสู่ตรงกลางได้ง่ายขึ้นซึ่งตัวไตรลักษณ์เนี่ยมันมีอยู่แล้วตลอดเวลาแต่จิตของเรามันมักจะวิ่งไป สู่เวทนาที่หนักแล้วก็ไปสร้างความคิดไปสู่เวทนาที่เบาก็ไปสร้างการเสพการแชร่แต่พอค่อยปรับไม่ให้ไปแช่อยู่กับหนักกับเบาก็อยู่ตรงกลางจิตของเราก็จะมาสู่ศูนย์กลางได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเราให้จิตของเราได้ไดรับรู้และสังเกตเวทนาที่เป็นกลางนี้เป็นประจํา เรกว่าเป็นกฎของมัชิมาที่ที่เราต้องการให้จิตของเราคุ้นเคยกับอาการอย่างนี้ให้มากที่สุดชีวิตเข้าสู่ตัวเป็นกลางของเวทนาจิตก็เป็นกลางเป็นอุเบกขาโดยโดยธรรมเพราะนั้นจะสร้างความคุ้นเคยนี่บ่อยๆเพื่อให้เกิดเส้นทางของจิตใหม่ที่มันเคยไป ซ้ายไปขวาไปอดีตไปนอนาคตตลอดเวลาพอเมื่อไหรมันกลับมาคุ้นเคยกับความเป็นกลางมันก็ไม่มีอดีตอนาคตเป็นปัจจุบันตรงนี้เป็นอารมณ์วิปัสนาสังเกตให้ดีปรับความรู้สึกที่ต่อหนึ่งของการเฝ้าดูกำลังมังการสังเกตในความตั้งใจตรงนั้นก็เป็นเจตนาแล้วก็เป็นความคันติความอดทนที่จะดู สภาวะที่เป็นจริงเรียกว่าไตรักเนี่ยเราทนเฝ้าดูต่อการทำงานของมันโดยที่ไม่ท้อถอยไม่เบื่อหน่ายนั่นเองเป็นกำลังของสม า, สมาธิและเฝ้าดูตรงนั้นเพราะเราละเลยในการเฝ้าดูมาตลอดชีวิตถึงได้สร้างทุกสร้างปัญหามากมายและวันนี้เราก็มีการเริ่ม การเฝ้าดูตัวนึ่งมันก็เป็นการดับไฟที่มันติดมานานเราก็เริ่มดับมันไปเรื่อยๆด้ว ย, วยกันเฝ้าดูให้มันอยู่แค่กายไม่ให้มันลุกเข้ามาสร้างความคิดกับใจเราตรงนี้ก็เรียกเป็นสมาธิสังเกตดูให้ดีคนที่ใหม่ยังไม่เคยทาตัวนึ่งกันนานๆการปรับ อีของตัวเองอาจจะไม่เป็นนะก็กำหมัดกำมือเข้าแน่นๆหลายๆครั้งเป็นการปรับอ่าความลาของสายตาของศรีรษะก็จะตื่นขึ้นด้วยการกำมือแน่นๆเข้าออกหลายๆครั้งสองข้างคือวิธีการผูกเส้นลมปลานที่ปลายนิ้วนะมันก็จะกระตุ้งขึ้น อีสีทางสายตาทางสมองจะหายลาก็เสดชื่นขึ้นมาอีกครั้งนึงทำรูปรับไปเรื่อยๆโดยธรรมชาติของอนิจจังก็เมืนเราติดไฟปติไปนานไฟมันลาออกเราก็ทำหน้ที่เคลียนะฐานว่างที่เท่าวางออกไปสูไฟเพื่อใหม่ก็ลุกขึ้นแต่ถ้าสีเราเหมือนกั น, นไฟแต่ละรุ่น พอติดไปนานๆกำลังก็ล้าแล้วก็ปรับก็ปรุงขึ้นมาใหม่เป็นระยะระยะไปคือการที่เราใช้กำลังของตัวรู้เข้าไปแปลงกำลังของธรรมชาติไตรลักษณ์กลับมาเป็นตัวปกติมันเดิมคือตัวศีลเปลี่ยนนั่นในจังให้เป็นศีลเปลี่ยนทุกขังเป็นสมาธิได้ในเวลาเดียวกันแต่ขยันปรับนิดนึงถ้าไม่ขยันปรับสักพักมันก็จะเหงาจะง่วง ขี้เท่าขึ้นนะขี้เท่าขึ้นตาเราแล้วก็ปรับเปล่าขี้เท่าออกนะคือกฎของนิจังเราต้องเปลี่ยนถ้าไม่เปลี่ยนมันก็นิจังก็จะครอบเราเป็นนิสัยเดิมก็จะไม่เปลี่ยนไม่ได้พยาามปรับดูนะใการเจรอสติที่มีผลสําคัญก็คือว่าต้องความเพียรที่เป็นที่ถูกต้องละละเหตุ ที่จะทำให้เกิดนิวอน <c oughs> เพียนลาเหตุเพียนเพียนระวังระวังมาให้นิวรณเกิดดูได้ทุหนึ่งพอมันเกิดแล้วก็จะเพียนล่าตัวความเพียนก็จะเป็นตัวสนับสนุนตัวสติให้มีกำลังตัวไตรลักษณ์ทำงานมันตลอดเวลาเราก็ใช้สติประธานสี่เข้าไปเปลี่ยน <c oughs> กดของไตรลักษณ์ ไม่เป็นตรีศีลขาแต่ถ้าหากว่าความเพียรเราไม่เข้มแข็งไม่ละเหตุของนิวรณ์ต่างๆเราก็เปลี่ยนไม่ได้เพราะฉะนั้นคอยสังเกตคอยศึกษาคอยปรับเปลี่ยนอยู่แต่เวลากรณีนี้คือเป็นตัวที่เราจะดำเนินไปสู่วิปัสสนาได้สําเร็จปรับยีบทหลายๆยียยบทในช่วงที่เรามีวรเข้มแข็งแล้วก็เปลี่ยนบ่อย ไปนั่งแชร่เฉยๆไม่ได้เดี๋ยวมันมาก็แก้ไขา ย, ยากยังปรับให้ตื่นอยู่เสมอ